เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า50ปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของคุณยายผู้หนึ่งที่ชื่อว่ายายหมอมะนีซึ่งเป็นหมอนวดจับเส้นแผนโบราณที่ได้ตายลงแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีวิตกลับมาอีกครั้งค่ะ เหตุการ์ทั้งหมดนี้คุณดวงกระมนผู้มีความสนิทสนมกับยายหมอมณีเป็นอย่างดีได้เคยเล่าไว้ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเราจึงใคร่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นเรื่องของการกลับมาจากความตายที่มีความน่าสนใจไม่น้อย โดยคุณดวงกระมน์ค่ะได้เล่าถึงการกลับมาจากความตายของคุณยายหมอมณีไว้ดังนี้นะคะบอกว่าขณะนั้นคุณดวงกระมน์อายุประมาณ14ปีนะคะยายหมอมณีก็อายุราวๆ70ปีค่ะคุณยายของคุณดวงกระมน์มักจะใช้ให้คุณดวงกระมน์เนี่ยไปตามคุณยายหมอมณีมานวดให้เป็นประจำ คุณดวงกมนก็ออกจากบ้านเดินมาตามถนนสุขโขทยัยจนถึงถนนสามเสนเพราะว่าบ้านของยายหมอมณีอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แกอยู่ในวัดโบสถ์สมเสนนะคะซึ่งบ้านหของแกอยู่ติดกับป่าช้าแกก็ชอบเลี้ยงแมวค่ะมีอาชีพรับจ้างนวดจับเส้นแผนโบราณเพียงอย่างเดียวโดยทุกๆวันคุณยายเองแกก็จะออกไปนวดให้กับลูกค้าตามบ้านเป็นประจำได้เงินมาก็ซื้อข้าวซื้อปลาประทังชีวิตแล้วก็แบ่งปันให้แมวที่แกเลี้ยงไว้ได้อาศัย กินเป็นประจำทุกวันเช่นกันคนแก่สมัยนั้นนิยมแต่งกายแบบโบราณชอบนุ่งจงกระเบนไม่ได้นุ่งผ้าถุงเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะถือตะกร้าหมากเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกซอยต่างๆคุณดวงกระมวลไปตามแกไม่พบจึงนั่งคอยแกอยู่หน้าวัด วันนั้นกว่าแกจะกลับมาก็ค่ำแล้วล่ะค่ะก็เห็นแกเดินมาแต่ไกลคุณดวงกำมลจึงเดินเข้าไปหาแกโดยขณะที่เดินเข้าไปหายายหมอมณีนั้นก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งไล่คาบตะกร้าหมากแกก็ยกขึ้นสูงสุนัข ก, ก็เลยคาบหางจงกระเบนแกหลุดพอดีว่าเจ้าของสุนัขมาเห็นเข้าพอดีนะคะสุนัขตัวนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้น คุณดวงกมนก็เลยเข้าไปช่วยถือตะกร้าหมากไว้เพื่อให้คุณยายหมอนุ่งผ้าสมัยแล้วก็ทัก่ะแกก็ถามคุณดวงกระมนีนะะ่ะบอกว่ามารอนานหรือยังคุณดวงกมนก็ตอบไปบอกว่ามานานแล้วจ้ะยายจากนั้นยายหมอแกก็ชวนคุณดวงกรมนเข้าไปในบ้านก่อนจะได้เปลี่ยนผ้าโจงกระเบนแล้วก็คลุกข้าวให้แมวกินนะคะพอเดินเข้าไปถึงบ้านยายหมอมณีคุณดวงกระมนรู้สึกเย็นชอบกลนยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าบ้านแกอยู่ในป่าช้า แกมีบ้านหลังเล็กๆหลังเดียวแล้วก็พอเปิดประตูก็จะเห็นแมวเนี่ยวิ่งกรูกันออกมาพันแข้งพันขายายหมอหนัวเนียไปหมดจนหน้าเวียนหัวแมวแกมากนับไม่ถ้วนยายหมอเรียกแมวเข้ามาในบ้านมันก็วิ่งเข้ามาหาคุณดวงกำมลตัวหนึ่งพร้อมกับกระโดดลงมาจากหลังตู้แมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวสีดําในตาดูน่ากลัวนะคะ คุณดวงกมลนตกใจมากค่ะพอมองขึ้นไปก็เห็นขวดใหญ่มีรักยมบรรจุอยู่ในขวดแล้วก็มีกุมารทองตั้งอยู่ด้วยส่วนยายหมอนวดแกก็ติดไฟหุงข้าวคุณดวงกำมลก็นั่งรอจนกว่าแกจะหุงหาอาหารเสร็จแล้วค่ะระหว่างนั้นก็มองออกไปรอบบ้านก็เห็นโลงศพกองไว้ข้างบ้านของยายหมอจํานวนมากมายก็รู้สึกกลุกลัวยังไงชอบกลเจ้าเลยบอกไปบอกว่ายายเร็วๆ เ, เขาเถอะเดี๋ยวจะมืดมากมองไม่เห็นอะไร ยายหมอมณีแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหลอกมืดก็มืดมีตะเกียงเดี๋ยวยายจะจุดให้แล้วแกก็จุดตะเกียงไว้ก่อนคุณดวงกระมลก็ยังไม่วายรู้สึกกลัวก็เลยเดินไปอยู่ใกล้กันกับแกเพราะว่าไม่อยากยืนอยู่คนเดียวนะคะจิตใจมันหวาดหวั่นชอบกลมองไปก็พบแต่สิ่งของที่ไม่เคยเห็นทั้งนั้นเงียบก็เงียบพอข้าวแกสุข ยายแกก็รีบคลุกข้าวให้แมวกินแล้วก็หาให้กุมารทองกับรักยมแกด้วยคุณดวงกระมลก็เลยถามคุณยายหมอมณีเนี่ยว่าทำไมให้ข้ากกุมารทองรักยมด้วยละ่ะคะยายยายหมอนวดก็เลยตอบว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันหิวมากมันจะวุ่มากวนยายไม่เป็นอันทำอะไรกันไหนเองช่วยเอาข้าวไปให้กุมารทองหน่อยสิคุณดวงกมล น, นึกในใจว่าจะทาอย่างไรพอแกส่งข้าวส่งปลามาให้ก็เลยบอกว่า อ่ะเอาไปเอาไปให้ทีจะได้รีบไปกันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวคุณนายแกจะคอยคุณดวงกระมวลก็เลยรับมาด้วยความกลัวค่ะในใจก็นึกว่าเอ๊ะเป็นผีหรือว่าเป็นคนนะ่าจึงต้องกินข้าวถ้วยเล็กๆนิดเดียวจะอิ่มหรือเปล่าแล้วก็รีบเอามาวางไว้ด้วยความกลัวพอวางเสร็จก็รีบเดินออกมายายหมอนวดก็เลยถามว่าเรียกเขากินข้าวหรือเปล่าล่ะคุณดวงกระมวลก็เลยตอบกับยายหมอมนีบอกว่าให้เรียกใครละยายเอา้า ก็เรียกพ่อรักพ่อยมนะสิไปไปไปเรียกเขามากินก่อนแล้วแกก็รองเรียกลูกรักลูกยมมากินข้าวนะลูกแกเรียกอยู่นานแล้วก็เดินออกมาข้างนอกรอบรอบห้องนะคะหาไม้มาขัดประตูไม่ใส่กรอนเหมือนบ้านสมัยนี้ปากแกก็พูดนะฮะว่ารักยมอยู่บ้านนะอย่าไปซนที่ไหนเดี๋ยวแม่มาแล้วแกก็เรียกแมวเข้าบ้านให้หมดปิดประตูขัดไว้อย่างเดิมแล้วก็พากันเดินออกจากบ้าน ในขณะนั้นนะคะที่เดินออกมาตามทางตอนมืดค่าแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นคุณดวงกมลก็จับมือแกไว้แน่นแกก็ถามว่ากลัวอะไรล่ะเปล่าจะยายเดี๋ยวเดินไม่ทันยายนะ่ะพอเดินมาได้สักหน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงผลไม้หล่นลงมาดังตุง๊บยายหมอมณีก็หันไปมองแล้วก็พูดว่าเอลูกรักลูกยมสซนอีกแล้วนะไปดึงผลไม้ของเขามาทาไมล่ะ แกพูดเหมือนแกเห็นอย่างนั้นนะคะยิ่งทําให้คุณดวงกำมลนเนี่ยรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกนึกอยู่ในใจว่ายายหมอแกพูดอะไรนะไม่เห็นมีคนสักหน่อยแล้วก็หันหลังไปบอกว่าไปลูกกลับไปเดี๋ยวแม่กลับอย่าตามมาเออบอกไม่เชื่อเดี๋ยวแม่เอาไม้ตีนะคุณดวงกำมลก็จับมือแกไว้ไม่ยอมหันหลังไปดูแล้วแกก็พาเดินนะคะเร็วๆ เ, เดี๋ยวคุณนายแกคอยนานเดี๋ยวยายจะไปกินหมากที่บ้านเองสักหน่อยนึงว่าแต่มีพลูหรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่มียายต้องแวะร้านเจ็๊แดงก่อนซื้อพลูสักสามสตางค์พอเดินมาถึงบ้านก็ร้องเรียกให้เด็กมาเปิดประตูให้คุณดวงกระมนก็เลยร้องบอกว่า<อ>คุณยายคะ่ะคุณยายหมอมาแล้วคะ่ะหนูไปรอยายหมออยู่ตั้งนานจึงมาช้าคุณยายของคุณดวงกระมนก็ให้เด็กไปตักน้ํามาให้ยายหมอนวดล้างมือล้างเท้าพอแกนั่งลงสักครู่หนึ่งแกก็ตำห ม, มากกินนะคะส่วนคุณดวงกระมนกเนี่ยก็เข้าครัวไปกินข้าวแล้วก็ได้พูดกับน้องๆองว่า เมื่อกี้ฉันเห็นผีด้วยละ่ะน้องก็เลยถามว่าผีมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพี่ดวงกรมลนมันอยู่ในขวดเป็นรูปไม้สีดำกับสีขาวผีสองตัวมันกอดกันกลมเลยแล้วก็มีกุมารทองด้วยเย่หมอแกให้เอาข้าวไปให้ผีขวดกินฉันนี่กลัวเกือบตายเลยแหละทีนี้ฉันไม่ไปอีกแล้วนะ พอคุณดวงกำมลกินข้าวอิ่มนะคะก็ออกมานั่งกับคุณยายแล้วก็คุณยายหมอซึ่งแกก็กําลังบี บ, บ, บคลําำไปอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงคุณยายก็เลยพูดว่านี่แม่หมอฉันไม่สบายนะไม่รู้เป็นอะไรมันปวดไปทั้งตัวข้าวปลาก็กินไม่ได้ยายหมอนวดก็เลยบอกว่าจะไปกลัวอะไรล่ะคะคุณนายก็กินยาหมอเดี๋ยวก็หายแล้วพรุ่งนี้ให้เด็กไปซื้อให้บอกให้ใครเอากระดาษมาจด มันมีสูตรยาดังนี้ข้าวเย็นเหนือกับข้าวเย็นใต้ประคำดีควายหนักอย่างละหนึ่งบาทเอามาต้มให้กินครั้งละสองถ้วยตะลายยายหมอแกบอกว่าต้มกินจนจืดแล้วคุณนายก็จะหายหกินข้าวได้ซึ่งยายหมอพูดไปพูดมานะคะแกก็บอกว่าฉันน่ะเคยตายมาแล้ว3มวันแล้วนาะเมื่อสมัยยังสาวๆยังอยู่มาได้ถึงป่านนี้ก็กินยาต้มนี้แหละ คุณดวงกำมลนก็เลยเข้าไปนั่งใกล้ๆแกนะคะแล้วก็ซักถามด้วยความสนใจแล้วแกก็เริ่มเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยแกเคยเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงทายจนไม่มีแรงหมดสติแถมเป็นลมไปแกบอกว่าเขาเรียกกันว่าโรคหา่ามันกินแกไป3วันตอนนั้นพ่อกับแม่แกเนี่ยเตรียมซื้อลงไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ปิดฝาโง ก็ทิ้งไว้อย่างนั้น3าวันแล้วก็นีมณพระมาสวดให้ครบ7วันก่อนโบดาณเขาว่าต้องเก็บศพไว้ที่บ้านไม่เอาไปไว้วัดบางคนก็เก็บเจ็วันบางคนก็เก็บร้อยวันจนกว่าจะเผาซึ่งในขณะที่แกนอนอยู่ในโรงนั้นแกบอกว่ามีชายร่างใหญ่โตเนี่ยมาจูงมือแกไปคนละข้างพอไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็นำตัวแกไปไว้ตรงหัวหน้าใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ถามแกว่าเอาฉันมาทาไมชาย2คนก็บอกว่า เจ้านายให้ไปเอามาเข้าไปเข้าไปเข้าไปหาเจ้านายคุณยายหมอแกก็มองขึ้นไปเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งสั่งงานอะไรสักอย่างก็เลยหันมามองชายสองคนแล้วก็บอกว่าได้แล้วครับคนนี้ป่วยตายชายผู้เป็นนายถามว่าเจ้าเคยทำบาปอะไรไว้บ้างละ่ะยายหมอก็เลยตอบไปบอกไม่เคยจ้ะจริงเหรอจริงเจ้าค่ะ แล้วแกก็หันไปมองเห็นควายตัวโตดําใหญ่เลยนะคะยืนอยู่ใกลๆ้ๆคุณยายหมอนวดก็หันไปดูแต่นึกไม่ออกนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เคยทําบาปเลยเจ้าค่ะควายตัวนั้นก็เลยพูดเจ้านั่นเองที่ตีข่าจนเป็นแผลและพี่น้องของเจ้าก็ตามมาฆ่าค้าอีกควายจึงหันแผลที่เคยถูกตีมาให้ดูคุณยายหมอก็นึกออกก็เลยพูดว่าถ้าไม่ได้ฆ่าเองนะข้าตีอย่างเดียวแค่นั้นเพราะเองไม่ยอมกลับบ้าน ข้าพาไปเลี้ยงอยู่ที่กลางนาจนมืดก็ไม่ยอมกลับคอกแล้วเองอะ่ะก็ยังดือ้อวิ่งหนีข้าแต่ข้าไม่ได้ฆ่าเองนะทันใดหัวหน้าใหญ่ก็เลยพูดขึ้นว่า mm. พวกนี้เอาใครมาวะเอามาผิดตัวสิแล้วกระมังเอาคืนไปเอาคืนไปผู้ชายสองคนนั้นก็เลยพาแกกลับไปส่งที่บ้านระหว่างทางแกก็เหลือบไปเห็นหญิงชายคู่หนึ่งค่ะกําลังถูกตีให้ขึ้นต้นนิ้ว ซึ่งเต็มไปด้วยหนามที่แหลมคมนะคะแล้วก็มีคมหอกคมดาบนี่คอยเสียบคอยแทงพร้อมกับอีกาที่จะงอยปากคมกริบเลยคอยจิกก้นอยู่ข้างล่างค่ะซึ่งขณะหญิงชายคู่นั้นขึ้นต้นนิ้วด้วยความยากลําบากแกก็เดินผ่านไปเห็นอะไรต่อมีอะไรมากมายแกก็เลยเล่าให้ฟังอีกบอกว่าพอเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งมันมีสะพานข้ามคลองชายสองคนก็บอกข้าวว่าให้เดินข้ามไป ยายก็เลยเดินข้ามสะพานไม้ท่อนเดียวมาอีกฝากหนึ่งพอยายเดินมาถึงเท่านั้นแหละไม้กระดานที่เป็นสะพานให้เดินกลับหักดังป๊อกเป็นเวลาเดียวกันกับคนในบ้านเขากำลังจะปิดฝาลงยายก็เลยรู้สึกตัวพอดีก็เลยลุกขึ้นมาพร้อมกับร้องบอกเบาๆบอกว่าขอน้ำกินหน่อย ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ยินเสียงแกพูดออกมาต่างก็บอกว่าผีหลอกนะคะแต่ว่าพระอีกรูปหนึ่งบอกว่าอย่าปิดฟ้าลงไปตักน้ำมาหนึ่งขันให้เขากินเมื่อได้น้ำมาแล้วก็เลยส่งให้แกกินจนหมดขัน ห, หมอมาณีเล่าให้ฟังบอกว่าแกรีบลุกขึ้นมาพระก็รีบดึงแกออกมานอนอยู่ข้างนอกแล้วก็แกก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับบรรดาคนที่อยู่ในนั้นรวมถึงพระฟังนะคะว่าแกไปเจออะไรมาบ้าง พระรูปนั้นก็ทำน้ำมนต์ให้ยายหมอกินแล้วก็ยังแนะนําบอกว่าให้กินอาหารอ่อนๆนะแล้วยายหมอก็ต้องนอนพักอยู่ตั้งหลายวันจากนั้นไม่กี่วันนะคะเพื่อนแล้วก็ญาติของแกก็ป่วยตายตามที่ควายตัวนั้นบอกเพราะเพื่อนแล้วก็ญาติของแกนี่เองที่เป็นคนฆ่าควายตัวนั้นตายตามที่ควายตัวนั้นเล่าให้ฟังในตอนที่สลบอยู่ในเมืองนรกนั่นเองค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าท่านผู้หญิงบุญหลงหลพะหนพลพยุหะเสนาซึ่งเป็นภริยาของท่านเชษฐบุรุษพลตรีพระยาพะหพนพลพยุหะเสนาซึ่งอดีตนายกตทนาธิการนะคะถึงแก่อนิจกรรมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วยังความสลดใจแก่ผู้ที่เคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าท่านมีแต่คุณงามความดีอันเป็นเหตุให้ต้องระลึกถึงอยู่ไม่น้อย จะมีใครสักกี่คนบ้างคะที่ทราบว่าท่านผู้หญิงบุญหลงเคยถึงแก่กรรมมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องนี้ท่านผู้หญิงเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดท่านฟังนะคะว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่ท่านจะถึงแก่อานิจกรรมในครั้งนี้ท่านเกิดป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งที่บริเวณลำคอตรงใต้ลิ้นซึ่งทรมานท่านมากทําให้ท่านกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเวลาแรมปี ร่างกายของท่านสู้ผอมเป็นที่น่าวิตกแก่ลูกหลานแล้วก็ญาติมิตรเป็นอันมากเพราะว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็ยังไม่มียาชนิดใดในปัจจุบันสามารถรักษาให้โรคมะเร็งหายขาดได้เลยค่ะ ท่านผู้หญิงบุญหลงรู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งที่ลำคอเมื่อท่านมีอายุได้68ปีโดยคุณหมอได้นำเชื้อไปตรวจครั้นพบว่าเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วนะคะก็แนะนำให้ท่านผ่าตัดหรือว่าฉายรังสีซึ่งอาจจะทุเลาหรือว่าหายจากโรคนี้ได้ แต่ว่าท่านผู้หญิงเป็นผู้นิยมการรักษาแบบโบราณมากกว่าปัจจุบันทั้งเคยได้ยินมานะคะว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยการผ่าตัดหรือว่าฉายแสงจะเป็นเหตุให้เชื้อมะเร็งลุกลามไปใหญ่โตท่านจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคาแนะนำของคุณหมอคะ่ะหากทว่าได้พยายามขวนขวายหายาไทยมารักษาเท่าที่จะทำได้ ใครบอกว่ายาขนานดใดรักษามะเร็งได้ท่านก็จะจดตัวยามาต้มกินเอาเองส่วนยาเม็ดแผ่นปัจจุบันที่คุณหมอบอกว่าสามารถระงับอาการลุกลามของเชื้อมะเร็งได้ท่านก็ซื้อหามากินเช่นกันแต่ว่าจุดมะเร็งที่ลำคอก็หาได้บรรเทาไม่ตรงกันข้ามค่ะกลับเติบโตแล้วก็มีน้ำหนองไหลซึมออกมาตลอดเวลาท่านต้องคอยบ้วนน้ำไหลทิ้งอยู่เสมอ การที่เป็นมะเร็งที่ลำคอเช่นนี้ทำให้ท่านได้รับความทรมานเป็นอันมากด้วยจะกลืนอาหารแต่ละคำก็สุดแสนจะลําเค็ญทั้งจะต้องเลือกอาหารอ่อนๆประเภทเข้าวต้มหรือว่าโจก๊กกินเพื่ออยู่เท่านั้นนะคะในใจของท่านก็นึกอยู่ค่ะว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแน่แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่เวรกรรมครั้นอยู่ต่อมาในวันหนึ่งโรครายก็ได้ทรมานท่านอย่างแสนสาหัส ท่านผู้หญิงบุญหลงก็เลยเล่านะคะว่าท่านมีความเจ็บปวดที่บริเวณลำคอจนสุดจะทนแม้ว่าจะกลืนน้ำลายแต่ละครั้งก็เจ็บปวดแทบจะขาดใจท่านผู้หญิงเองก็นึกนะคะว่าบัดนี้ถึงการเวลาที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแล้วแล้วก็ได้ดำลึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ท่านได้ประกอบสัมมาอาชีพตลอดมาเพราะนับแต่ท่านเจ้าคุณพ่อหนพ ล, ลพยุหะเสนาเฉถบุรุษที่มีอำนาจบริหารประเทศชาติก็ไม่เคยใช้อำนาจ ที่เบียดบังทุจริตช่อราดบังหลวงแต่อย่างใดนะคะมีแต่เสียสละประกอบแต่กุศลกรรมเพื่อหวังให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขสถานเดียวจนกระทั่งท่านเจ้าคุณถึงแก่อสัญกรรมก็มีเงินติดบ้านเพียงแค่140บาทเท่านั้นเมื่อคิดดังนี้ค่ะจิตของท่านผู้หญิงบุญหลงก็เปี่ยมไปด้วยความปิติและต่อจากนั้นท่านก็มารู้สึกตัวอีกครั้งได้เห็นร่างของตัวเองนอนหลับสบายอยู่บนเตียง ความรู้สึกขณะนั้นเหมือนกับตนมิได้เจ็บคข้ได้ป่วยแต่ประการใดท่านก็เลยเดินออกจากบ้านคิดอยากจะไปหาท่านเจ้าคุณพ่อหนุนผู้เป็นสามีที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเวลากว่า20ปีเศษท่านบอกว่าท่านรู้สึกเดินเหินอย่างสะดวกสบายเนื้อตัวก็เบาไปหมดมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนยืนอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนั้นเป็นที่โล่งแจ้งเบื้องหน้ามีคฤหาสน์หลังใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงนะคะท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวชอุ่มร่มรื่นเย็นตาท่านก็เลยเดินเข้าไปในคฤหาสน์หลังนั้นพอผู้คนในบ้านเห็นท่านเดินเข้าไปเท่านั้นแหละก็พากันวิ่งกรูออกมาต้อนรับด้วยความยินดี 1. ในจํานวนนั้นคือท่านเจ้าคุณพ่อหนพ ล, ลพยุหเสนาค่ะ ท่านเจ้าคุณเดินยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาหาท่านผู้หญิงบุญหลงพลางยกมือโอบไหล่แล้วก็ถามว่ามาแล้วหรือพลางจูงมือท่านผู้หญิงขึ้นไปบนคาเรหาดหลังนั้นซึ่งเป็นเรือนทรงไทยแบบโบราณหลังใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวค่ะมีหลังคาแล้วก็เฉลียงติดต่อกันหลายหลังแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดนะคะคือได้พบเพื่อนๆพืนายทหารของท่านเจ้าคุณพ่อหนอยู่หลายคนทั้งๆ ท, ท, ที่บุคคลเหล่านั้นล้วนแต่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิน้น รวมทั้งคุณหลวงแพทย์ดุละยะพิสิทธ์นายแพทย์ทหารประจําตัวของท่านเจ้าคุณด้วยท่านผู้หญิงบุญหลงเล่าต่อค่ะว่าสถานที่นั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะคิดว่าเป็นเมืองผีก็ไม่เห็นมียมมาบาลไม่เห็นขุมนรกที่คนทําชั่วทําบาปถูกนํามาลงโทษทันครั้นจะเข้าใจว่าเป็นแดนสวรรค์หรือไม่ก็ไม่เห็นมีวิมานหรือเทวดานางฟ้าแต่อย่างใด หากเท่าที่เห็นเป็นที่ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งกล่าวก็คือค่ะสถานที่นั้นไม่มีสัตว์เดรัจฉานอาศัยอยู่เลยแม้แต่นกกาบรรยากาศเงียบสงบร่มเย็นเหมือนอยู่กลางใจดงใหญ่ที่ไม่มีเสียงอันใดรบกวนเมื่อท่านผู้หญิงเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลายคนที่เคยรู้จักครั้งยังมีชีวิตอยู่เข้าใจว่าท่านจะมาอยู่กับท่านเจ้าคุณพ่อหนนแต่ว่าท่านผู้หญิงบอกแกเขาเหล่านั้นบอกว่า ยังมาอยู่ด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกภาพรออยู่เธอไม่ค่อยสบายนะ่ะถ้าทิ้งลูกมาลูกจะลำบากทั้งดิฉันเองก็ยังมีโรคประจำตัวจึงต้องกลับไปดูแลลูกแล้วก็รักษาตัวให้หายดีซะก่อนท่านเจ้าุณพ่อหน่ได้ฟังเช่นนั้นก็เลยบอกกับท่านผู้หญิงนะคะว่า เมื่อยังห่วงลูกก็จงกลับไปซะก่อนเถิดส่วนโรคที่เป็นนั้นยังไม่ถึงตายดอกค่อยรักษาก็จะหายเองจงรักษาสุขภาพให้ดีเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะท่านเจ้าคุณพูดแล้วก็เตือนให้ท่านผู้หญิงเนี่ยรีบกลับนะคะแล้วก็พามาส่งถึงนอกเขตคารือหาดซึ่งเป็นที่โล่งเตียนเช่นขามาพอก่าคําอาลาเสร็จทั้งท่านเจ้าคุณพหนนทั้งคฤหาก็หายไปค่ะ ท่านผู้หญิงมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อนอนอยู่บนเตียงที่บ้านแล้วท่านผู้หญิงเล่าต่อนะคะว่าที่ท่านนอนหลับไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปพบท่านเจ้าคุณพ่อหนนั้นจะเรียกว่าฝันไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการตายไปแล้วฟื้นก็ตามทีแต่มีเรื่องแปลกอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งค่ะ นั่นก็คือคําบอกเล่าของท่านเจ้าคุณพ่อหนนที่บอกว่าโรคที่เป็นอยู่นี้ยังไม่ถึงที่ตายดอกค่อยๆรักษาเดี๋ยวก็จะหายเองท่านก็เลยจะรอดูว่าจะเป็นความจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานมีคนมาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่นายที่อยู่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคต่างๆของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้ค่ะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะคะก็จะแสดงปรากฏการมหัสจาั์บรรดาลให้องค์ท่านนุ่มนิ่มประดุดเนื้อหนังของมนุษย์ชาวบ้านจึงให้สมญานามแก่หลวงพ่ออีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มท่านผู้หญิงก็เลยเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อดังกล่าวแล้วก็ขอน้ำมนของท่านมาใช้ทาแผลใต้ลิ้นแล้วก็บริเวณลําคอด้านนอกทั้งจิบทั้งดื่มไปด้วย ปรากฏนะคะว่าแผลที่บวมเป็นก้อนใต้ลิ้นได้แตกทลักออกมานอกลำคอเป็นก้อนแข็งสีเขียวคล้ายหัวฝีมีลักษณะเป็นหนองข้นเหนียวเหนอหนะประดุดกาวนะคะ หลังจากนั้นไม่กี่วันแผลก็แห้งสนิทไม่มีรอยแผลแม้แต่น้อยท่านผู้หญิงก็หายวันหายคืนจากนั้นมาก็เป็นปกตินะคะและล่วงมาถึงบัดนี้ท่านผู้หญิงบุญหลงคงไปอยู่กับท่านเจ้าคุณพ่อหนผลพยุหะเสนาผู้เป็นสามีตามที่ท่านปรารถนามาช้านานแล้วขอเดชะกุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงส่งผลให้ท่านทั้งสองเปี่ยมแต่ความสุขยั่งยืนยาวนานชั่วกันละนานเทิน หมดเวลาของพระเจอผีประจําวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ทั้งติชมนะคะแล้วก็ติติงเข้ามาค่ะทางใดที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เราก็จะทํานะคะส่วนอันไหนที่ทําไปแล้วผิดพลาดไปแล้วก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอความกรุณานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโฆษณาปรากฏขึ้นมาเด้งขึ้นมานะคะใน YouTube ของเราก็กดดู ให้หน่อยก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแก่ช่องแล้วก็ผู้จัดทาก็เป็นรายได้พอจ่ายค่าเน็ตค่าไฟในการผลิตสื่อของเรานะคะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ